มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนเดกะปัญหานวมะวักนิพพานสัจฉิกรณะปัญหาที่6ถามว่าผู้ที่ปฏิบัติทำนิพพานให้แจ้งแล้วจะชื่อว่าอย่างไร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีจึงมีพระราชโอค์การตรัสว่าพันเตนาฆเสนข่าแต่พระหน้าเกษรผู้ปรีชาตุมเหพานัทธะพระผู้เป็นเจ้าเจราจาไว้กับโยมว่าพระนิพพานนั้นณนะอตติตังใช่อดีตล่วงไปณนะอนาคตังใช่อนาคตจะมาเบื้องหน้าณนะปัจจุปปั น, นังใช่ปัจจุบัน นอุปาทนิยังใช่สิ่งอันใครๆจะให้เกิดขึ้นได้โยโกจิปุขคโลอันว่าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งอิทะสาสนในพระศาสนานี้แม้ว่าปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติแล้วมากระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานโซปุคะโลอันว่าบุคคลที่ปฏิบัติมากระทําให้แจ้งซึ่งทางพระนิพพานนั้นได้ชื่อว่า กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันยังมิได้บังเกิดหรือได้ชื่อว่ายังพระนิพพานให้บังเกิดแล้วจึงกระทําให้แจ้งพระนาคเษดมีเถระวาจาวา่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมผานบุคคลที่ปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นแล้วทําให้แจ้งพระนิพพานที่เกิดแล้วก็ได้ที่ยังมิได้บังเกิดก็ได้ หรือจะว่าให้พระนิพพานบังเกิดขึ้นแล้วจึงกระทําให้แจ้งก็ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชค์การตรัสว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาที่พระผู้เป็นเจ้า ว, ว่านี้ยังเคลือบแคลงกำบังอยู่โยมนี้อุตสาหถามเพื่อจะให้รู้นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้เข้าใจตามที่ได้ศึกษามา ด้วยชนทั้งหลายนี้ประกอบไปด้วยวิมติสงสัยไหลหลงจงวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเษนมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเอสานิพานทาตุอันว่านิพานทาตานี้มีอยู่สุขาปณีตามีสุขประีตและละเอียดยิ่งนักสัมมาปฏิปันโน อนาบุคคลปฏิบัติดีสังขารเรสมมสสันโตเมื่อพิจารณาซึ่งสังขารธรรมชินานุสิธิยาตามคำสมเด็จพระชินสีสั่งสอนมาปัญญายะก็จะกระทำให้แจ้งได้ด้วยปัญญาเปรียบอุปมาดุดสิ์ที่เรียนวิชาในสานักอาจารย์เชื่อถือตามที่อาจารย์สั่งสอนมาวิชังปัญญายะก็กระทำวิชาให้แจ้งได้ด้วยปัญญา มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารความเปรียบประการนี้ยะถามีครุวนาชั้นใดก็ดีพระโยคาวจรบุคคลที่ปฏิบัติตามกระแสพระพุทธดีกาเป็นสัมมาปฏิบัติสำเร็จธรรมวิเศษแล้วก็กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานธาตุ น, นั้นเอวะเมวะ ก็มีอุปมาเหมือนสิทธิ์ที่เชื่อถือตามที่อาจารย์สั่งสอนมาแล้วกระทำวิชาให้แจ้งด้วยปัญญานั้นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชาองค์การถามว่าก็พระนิพพานนั้นจะพึงเห็นได้อย่างไรเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษนมีเถระวาจาว่ามหาราชาดูรานะบวพิษผู้ประเสริฐ พระนิพพานนั้นเป็นที่ปราศจากทุกข์หาอุปัตถวันตรายไม่ได้พึ่งเห็นได้โดยลักษณะที่เป็นของละเอียดแล ะ, กะเกษมสําราญจืดสนิทประนีตสะอาดและเยืกเย็นนักเปรียบปานดุดบุรุษผู้หนึ่งใกล้กองเพลิงร้อนด้วยเพลิงอันติดอยู่ที่กองเพลิงนั้นบุรุษผู้นั้นก็ลีกออกไปให้พ้นกองเพลิงนั้นไปอยู่เสียในที่อื่นอันปราศจากเพลิงอันร้อน บุรุษผู้นั้นก็อยู่ที่สุขสัมราญมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารความเปรียบประการนี้ยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคขาวาจรเจ้าร้อนอยู่ด้วยเพลิงทั้งสามกองคือราคะโทสะโมหะหากเผาผลานอยู่เมื่อปฏิบัติชอบตามพระพุทธดีกาด้วยโยนิโสมนสิการแล้ว ก็ออกห่างจากเพลิงสามกองนั้นได้ไปอยู่ในโอกาสอันเป็นที่เย็นสบายดับเสียซึ่งเพลิงเหล่านั้นอันนี้ได้แก่พระอระหันต์ชื่อว่ากระทำพระนิพพานให้แจ้งมีอุปมาเหมือนบุรุษร้อนไฟหลีกเข้าไปสู่ที่อันสบายฉะนั้นมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษอันบ่ายหน้าเข้าสู่ป่าเพื่อจะสแสวงหาฟืนมาเผาซากศพแห่งงูสุนัขและมนุษย์บุรุษผู้นั้นเมื่อเผาศพนั้นร้อนรนด้วยเปลวไฟที่เผาศพครั้นว่าเผาศพแล้วลีกจากที่นั้นมาสู่โอกาสแห่งหนึ่งก็เป็นสุขสำราญขอถวายพระพร บ, บรพิษพระราชสมภารซากศพนั้นได้แก่เบนจา ก, กามะคุณ บุรุษผู้เผาศพนั้นได้แก่พระโยคาวจรเจ้าผู้ปฏิบัติและกิริยาที่หลีกจากที่นั้นมาสู่ที่โอกาสแห่งหนึ่งอันเป็นสุขสําราญนั้นได้แก่พระนิพพานอันเป็นเอกันตะบรมสุขณพระราชสมภารมหาราชาขอถวายพระพรสมเด็จบรมบพิตรจงทรงสวนาการอุปมาอีกสถานหนึ่งให้ยิ่งขึ้นไป เอโกปุริโสยังมีบุรุษผู้หนึ่งอยู่ในที่อันประกอบไปด้วยภัยมีจิตวาดไวเป็นนิรันจึงหลีกจากสถานที่นั้นเข้าสู่ที่อันหาภัยไม่ได้บุรุษผู้นั้นก็เป็นสุขสาราญได้แก่พระโยคาวจรเจ้าท่านกลัวซึ่งทุกสี่กองคือชาติทุกข์ชาราทุกขพยาทิทุกข์มรณะทุก ก็ลีกออกจากที่อันประกอบด้วยภัยคือทุกทั้งสี่นั้นมาสู่พระนิพพานอันปราศจากทุกทั้งปวงนั้นมหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งเปรียบปานดุดบุรุษอันสัญจรไปในที่อันมีเลนตมเดินลําบากบุรุษผู้นั้นเพียนลีกออกจากที่นั้นมาสู่ที่อันดอนบริสุทธิ์อันสะอาด ก็เดินสำราญความประการนี้มีครุวนาชันใดขอถวายพระพรได้แก่พระโยคาวจรเจ้าเมื่อแรกนั้นยังเดินในทางอันมีเลนตมกล่าวคือกิเลสครั้นหลีกออกไปสิ้นอาสวะแล้วก็เข้าสู่ที่อันแผ้วคือที่ดอนเดินเล่นเย็นสำราญกล่าวคือพระนิพพานนั้น บ่พิจงทราบโดยอุปมาอุปไมชะนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชากินตังสัจฉิกรโรติก็พระโยคาวะจรเจ้าปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่าได้กระทำพระนิพพานให้แจ้งเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่า มหาราชะดุราณะบพิษผู้ประเสริฐพระโยคาวจอนเจ้ามาพิจารณาซึ่งสังขารโดยจำเพาะเจาะจงก็เห็นกองทุกข์ทั้งสี่คือชาติทุกทุกชาราทุกข์พยาธิทุกขมารณะทุกขแต่ยังแลเห็นสุขเจืออยู่เล็กน้อยในเบื้องต้นบ้างใน่้ำกลางบ้างในที่สุดบ้างที่นั้นจิตก็งงงวยไป ไม่รู้ว่าจะรับเอาที่ตรงไหนเปรียบาลดุดดังบุรุษอันแลไม่เห็นเบื้องต้นและทํากลางและที่สุดแห่งก้อนเหล็กแดงที่ลุกเป็นไฟชนอยู่ตลอดวันอันรุ่งเรืองร้อนมารายนั้นไม่รู้ที่ว่าจะดับตรงไหนได้ยะถาความที่ว่านี้มีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้านั้นถึงเห็นชาติชราพยาธิมารณนะ ในกองสังขารก็ดีแต่ไม่แน่นอนตามเป็นจริงอย่างไรยังเห็นมีสุขเจืออยู่บ้างในเบื้องต้นและท่ามกลางและที่สุดอันนั้นทำให้งวยงงไปไม่เห็นศูนย์ที่จะจับตรงไหนจึงจะกระทําพระนิพพานให้แจ้งได้ก็มีอุปมาฉันนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จิตของพระโยคาวจรเจ้านั้นก็ไม่มีความยินดี จะปกติหามิได้กายก็เล่าร้อนเป็นผู้หาที่พึ่งพำนักอาศัยมิได้ขณะนั้นก็เบื่อหน่ายในพบทั้งสามคือกามาพบรูปประพบอรูปประพบหมดความยินดีที่จะเวียนไหวาตายเกิดต่อไปดังหนึ่งว่าบุรุษที่เข้าไปอยู่ในกองเพลิงฉะนั้นตกว่าบุรุษที่เข้าไปอยู่ในกองเพลิงที่ลุกรุ่งเรืองร้อนาร้ายนั้น เป็นผู้ไม่มีอะไรในกองเพลิงเบื่อหน่ายอยากจะหลีกหนีให้พ้นกองเพลิงฉันใดพระโยคาวะจอนก็ไม่มีอะไรเบื่อหน่ายต่อภพทั้งสามชั้นนั้นเมื่อพระโยคาวะจอนนั้นมีความเบื่อหน่ายเช่นนี้ก็ไม่ได้ประคองจิตอย่างไรปล่อยไปตามลําพังที่นั้นความเห็นแจ้งก็เกิดประจักษ์แก่ท่านว่าจิตนี้เกิดเกิดดับดับ ต่อเนื่องกันไปเป็นตัวปฏิสนธินำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกชาติทุกภพมีทุกมากมีความคับแค้นมากสิ่งที่ละเอียดประณีตนั้นก็คือความระงับดับสังขารทั้งหลายสละกิเลสและตัณหาให้สิ้นเชิงดับเสียซึ่งราคาทั้งปวงอันได้แก่พระอมตะมหารฤพานนั่นเองเมื่อพระโยคาวจรเจ้า รำพึงการเห็นชะนี้จิตก็เลื่อมสายยินดีร่าเริงว่าได้ที่พึ่งที่อาศัยดีใจที่สุดเหมือนบุรุษอันหลงทางไม่รู้ว่าจะไปแห่งหนตำบลใดเที่ยวเสา ะ, ะแสวงไปพบทางเข้าก็ยินดีว่าได้พบทางแล้วฉะนั้นครั้นท่านบำเพ็ญเพียรเป็นสัมมาปฏิบัติต่ตอไปประคองสติและวิริยะให้มั่นคง เมื่อได้บรรลุพระนิพพานมานาสิการไปไปมามามิชาก็ล่วงโลกิยะภูมิย่างขึ้นสู่โลกุตระภูมิบรรลุธรรมวิเศษคือพระอรหัตผลอันไม่เป็นที่ทำให้เวียนวนในสงสารวัติต่อไปมหาราชโดรานะบพิษผู้ประเสริฐพระโยคาวจรปฏิบัติดังถวายวิสัชนามานี้แลท่านกล่าวว่า ได้ทำพระนิพพานให้แจ้งขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาได้ทรงสวนาการก็สิ้นสงสัยทรงสาธทุกการว่าสาธุพันเตข้าแต่พระน่าเกษรผู้ปรีชาซึ่งพระผู้เป็นเจ้าวิสันานี้ภัยราะนักหนาสำปติฉามิโยมจะรับไว้ปฏิบัติสืไปในการบัดนี้ นิพพานสัจิกรณะปัญหาเป็นคำรบหกจบเพียงนี้